สำหรับในวันนี้จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในด้านเทวตานุสติกรรมฐานแต่ว่าการเจริญกรรมฐานของบรรดาท่านพุทตรบริษัททั้งหลายเมื่อฟังเรื่องของพระทารุจิริยะไม่แล้วก็ขอให้ถือปฏิบทานั้นเป็นสำคัญว่ากำลังใจของท่านในสมัยที่บวช อยู่ในเวลาที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพันนามว่าพระพุทธกศพศาสนาตอนปลายศาสนาเสื่อมใกล้จะเสื่อมที่สุดซึ่งบรรดาพระทั้งหลายพระภิกษุสมณเนส่วนใหญ่ไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยทั้งเจ็ดท่านตั้งใจประพฤติสมณธรรม เวลานั้นความจริงพระพุทธเจ้าทรงปรธิพานแล้วก็เหมือนสมัยนี้แล้วสองท่านผู้ใหญ่ต่างคนต่างเก่เาดีคือท่านที่หนึ่งสามารถบร ร, รลุอรหัตาผลได้ภายในคืนนั้นวันที่สองอีกท่านหนึ่งก็สามารถทำให้ได้พระอนาคามีผลสำหรับอีห้าท่านก็มีจิตใจเหนียวแน่น ไม่ยอมละวิริาะอุตสาหะของตนไม่ยอมรับพัตนาหาร <c oughs> ที่ทั้งสองท่านมาถาวายตอนนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเราไม่ได้บรรลุธรรมพิเศษเพียงใดเราจะไม่ยอมกินอาหารของใครเด็กขาดแมตโตจะตายก็ตามทีนี่กำลังใจอย่างนี้ระวันดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ถ้าจริงจะได้คุณธรรมวิเศษไม่ใช่ว่ามันนั่งเวลาเจริญพระอกำมฐ า, านแล้วก็มันนั่งกลัวตายเห็นภาพนั่นเห็นภาพนี่กลัวโน่นกลัวนี่ถ้าอย่างนี้นานหน่อยบางทีอาจจะต้องผ่านพระพุทธเจ้าอีกประมาณถ้า20อง์เศาจริงจะได้บรรลุอรหัตผลเป็นอันว่าขออนุดาตท่านพุทธศาสนิกชนจำคําที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ก, กับพระพยยะ เธอทารุจริยะว่าเธอเห็นรูปแล้วปินปิงจะเพีย ง, ง, ง, งสักแต่ว่าเห็นเห็นรูปแล้วอย่าสนใจในรูปเพราะรูปมันไม่เที่ยงรูปมันเป็นทุกรูปมันเป็นอนัตตาเนี่ยจะมาอธิบายนะท่านกล่าวสั้นๆว่าเห็นรูปแล้วจนอย่จงอย่าสนใจในรูปท่านพูดแค่นี้แค่นี้เองก็ปรากฏว่าท่านทารุจริยะสําเร็จนาตาผล นิวันดาแต่พุทธศสาสนิกชนนี่ก็เช่นเดียวกันเราพอใจในธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วถ้าไม่สามารถจะเป็นอรหันต์ในชาตินี้ต่อไปถ้าพบองค์สมเด็จปินญสีที่มีนามว่าพระสีอาริยะเมตไตรเอระวังอย่าให้ใจของเรามันลงนรกซสียก่อน เมื่อนั้นพระสีอาริยเจ้าก็จะสามารถเทศให้แห่ท่านเจ้า ข, อข้อสันส้นๆท่านก็จะได้รู้มาผลเช่นเดียวกับท่านภายะเมื่อทารุจริยะจงถือปฏิบัานั้นไว้สำหรับวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเทวตานุสติกรรมฐานคำว่าเทวตานุสติแปลว่านึกถึงความดีของเทวดา ตอนนี้เราก็มาต้องนั่งพิจารณากันว่าเทวดานี่มีดีอะไรที่เราจะต้องมานึกถึงท่านคําว่าเทวดานี่แปลว่าประเสริฐที่นั้นเทวดามีความดีหลายอย่างอย่างมีกายเป็นทิพย์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ป่วยเวลาจะจะทํากิจการงานใดๆก็ไม่มีสุขสิ่งทุกอย่างสําเร็จเดิมได้ของบุญ จะไปไหนก็ไม่ต้องใช้ภานะร่างกายไม่สุดโทมนี่เป็นความดีอันหนึ่งแต่ความดีส่วนนี้เป็นผลความดีที่เป็นเหตุที่ทำคนให้เป็นเทวดานั้นมีสองอย่างที่เรียกว่าเทวธรรมเทวธรรมแปลว่าธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดา <c oughs> ก็คือหนึ่งอิริความระอายใ จ, ใจสองอตตะความเกรงกลัว คุณธรรมสองอย่างนี้ทำคนให้เป็นเทวดาไ ด, ได้แต่การอธิบายวันนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพิ่งทราบว่าเราพูดกันในฐานะนักปฏิบัติไม่ใช่พูดกันในฐานะนักปริยัติคือเรียนหนังสือนักปฏิบัติกับนักปริยัตเราศึกษากันคนละทาง นักบริยัตหาความรู้รอบๆนักปฏิบัติหาความรู้เพื่อบ ร, รลุมาตรผลเะนั้นวันนี้สําหรับเทวตานุสติกมณานก็ h e r ขอแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านในแนวทางแห่งการปฏิบัติเทวตานุสติกมฐานมีธรรมสองอย่างคือฮิริความอายโอตปะความกลัว อันดับแรกตอนต้นเราควจะกลัวอะไรเราควรจะอายอะไรขอบนรดาตท่านพุทธบริษัทหลายองค์คิดว่าการที่เราจะเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราเกิดได้ด้วยอะไรที่จะมีทรัพย์สินใช้ยสอยู่บ้างเราเราทำอะไรมาแล้วการที่เราจะมีปัญญาเนี่ยเราทำอะไรมาเวลานี้เราทำอย่างนั้นบ้างหรือเปล่า การที่เเกิดมาเป็นคนได้โดยย่อหรือว่าหนึ่งเราเคยเป็นผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์มาแล้วสำหรับครวาวัสสำหรับเน่งเคยมีศีลบริสุทธิ์มาแล้วสำหรับพระเคยมีศีลสองร้อยยี่ิบเจ็ดบริสุทธิ์มาแล้วหนึ่งหนึ่งศีล <c oughs> เป็นปัจจัยให้เราเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์มีร่างกายครบอาการสามสิบสองเหมือนมนุษย์ธรรมดาเขา นี่เราจะเป็นมนุษย์ได้เพราะศีลเราจะมีทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องใช้สอยบ้างตามสมควรก็เพราะสายทางการบริจาค ก, การให้ทานการถวายทานแกประสงค์การให้ทานแกบุคคลที่มีความเดือดร้อนการให้ทานแกสัตว์ประย า, ยานเป็นปัจจัยให้มีทรัพสมบัติ นี่เราจะมีปัญญารู้จักความดีความช่วนได้ก็เพราะอาศัยการอบรมธรรมมาข้อ น, นี้เป็นของไม่ยากคนที่เคยมีศีลต้องเคยได้รับการอบรมธรรมมาก่อนแน่นอนไม่เช่นนั้นจะมีศีลไม่ได้ <c oughs> นี่เป็นอันว่าทุนใหญ่เดิมของเราที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์มีทรัพย์ศีลมีปัญญา ก็อาศัยคุณธรรมทั้งสองประการสามประการตอนที่กล่าวมาห <c oughs> รือว่าหนึ่งเคยให้ทานจึงมีทรัพย์สินสองเคยมีศีลบริสุทธิ์จึงเกิดมาเป็นคนสามเคยอบรมธรรมมาแล้วจึงมีปัญญาตอนนี้ไปเราก็านั่งไขครโญเจริยาของเรา ว่าคุณธรรมที่ทําให้เรามาเป็นมนุษย์มีทรัพย์สินมีปัญญาเวลานี้มันครบโทนหรือเปล่าถ้าหากว่าเรามีไม่ครบโทนเราก็ควรอย่าอายอายใครอายตัวของเราเอง <c oughs> ว่าเราพยายามทําความดีมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ว่าเราทําลายความดีเดิมคือมีศีลไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องตกนรก เกิดเป็นเปรตแปลาสุรกายสถิติฉานใหม่กว่าจะมาเป็นมนุษย์ได้ก่อนนานเป็นการขาดทุนเรามีทรัพย์สินได้เพื่อการให้ทานถ้าเราขาดทานนบารมีเกิดชาติหน้าเป็นคนจนเราก็ขาดทุนเรามีปัญญาเพราะการอบรมธรรมแต่เวลานี้เราไม่สนใจในธรรมเกิดไปชาติหน้าเป็นคนโง่เราก็ขาดทุน อันดับแรกในตอนต้นเขามันได้ท่านพุทธศาสนิกชนอายตรงนี้เสนหน่อยมันดีไหมอายด้วยแล้วก็กลัวด้วยอายคิดว่านี่เราไม่สามารถจะสร้างความดีเท่าความดีเดิมเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็ยังไม่สามารถจะสร้างสภาวะเป็นมนุษย์คงเดิมได้เดิมหน้ า, าการทำลายสินห้าประการข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเท่านั้น ทำลายลงนรกได้สบายถ้าจากนารกกว่าจะมาเป็นเปรตช่วยจะเป็นอสุรกายกว่าเป็นสตรีชานนี่กว่าจะมาเกิดเป็นคนมันนานนักข้อ น, นี้นอกจากอายแต้ว่าคนกลัวจะกลัวดูดะไม่ห็น่ากลัวนะควรจะกลัวก็เกิดมาทั้งทีกลับตั้งต้นใหม่เนี่มันสวยเต็มทีไม่ใช่ของดีของเด่นมันเป็นของเลว นี่นเมื่อเราอายความเราอายแล้วเรากลัวประเภทนี้แล้วแล้วก็ควรจะทํำยังไงควรจะส่งเสริมความดีเดิมให้มากยิ่งขึ้นไปเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าตายจากเป็นมนุษย์ไปเกิดในอบายภพขาดทุนหนักถ้าตายจากมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังชื่อว่าขาดทุนเพราะการลงทุนไม่มีกําไร ทางที่ดีเราก็ควรตายจะมนุษย์อย่างเลวที่สุดเราก็ควรจะเป็นเทวดานี่เราจะเป็นเทวดาได้ยังไงการให้ทานเราก็เป็นเทวดาได้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าทานนางสักรโสทานนางทานเป็นบันไดให้เกิดบนสวรรค์นีการที่จะรักษาศีลเราก็เป็นเทวดาได้ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าศีเลนะสุขติยันติ ศีลเป็นปัจจัยให้เกิดบนสวรรค์ศีเลนโภคสมทาถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มีพวกสมบัติมากศีเลนะนิพุติงยันติศีลเป็นปัจจัยเข้าพระนิพพานได้โดยง่ายมีทานกับศีลสองเดชในของบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายจงทรงตัวให้มั่นอย่าให้ขาดทุน แต่ส่วนที่มันขาดมันแล้วให้แล้วกันไปถือว่านั่นเป็นผลกําไรของความชั่วไม่ใช่ผลกําไรของความดีเป็นกําไรของความชั่วที่มันจะมัดตัวเราไปอบายภูมิแต่ถ้ว่าเราจะยอมไม่ได้เวลานี้เราทราบแล้วว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรพรปมศาจสดาสอนทางหนีให้เราไว้ นั่นก็คืออบรมใจในด้านสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเป็นวอมบายสงบใจมีทั้งหลายมีทั้งสี่สิบแบบแบบใดแบบหนึ่งก็ได้เราชอบใจแบบไหนทําแบบนั้นวันนี้ว่ากันเรืงเรื่องเทวาตานุสติกรรมฐานก็แบบของเทวาตานุสติกรรมฐานเป็นเครื่องไว้จำใจว่าเราเป็นคนขี้อาย อายความชั่วทุกอย่างถ้าเราให้ทานการสงเคราะห์ไม่ได้เราก็อายนรักษาสินให้บริสุทธิ์ไม่ได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทาใจของเราให้ทรงธรรได้เราก็อายรเราไมา่สามารถจะทำสมาธิให้ทรงตัวได้รเร า, าก็อายเราไม่สามารถจะทำหิปัสนายานให้ทรงตัวได้เราก็อายถ้าเรากลายเป็นคนโลภ เราก็อายโลกถ้าเป็นคนมักโกรธเราก็อายโกรธ ถ, ถ้าเราเป็นคนหลงก็อายหลงหลงตรงไหนและหลงตรงรูปแล้วฟังเรื่องท่านทาแจท่านทารุจริยะมาแล้วแล้วก็เรื่องนี้เป็นบทต ฐ, ฐานว่าองค์สมเด็จพระพิฆเมารสมตดัจว่าเมื่อเห็นรูป ก, ก็เป็นในเพียงศักดิ์แต่ว่าเห็นอย่าสนใจ เพราะรูปมันมีสภาพไม่เที่ยงรูปมีสภาพเป็นทุกรูปมีสภาพสลายตัวไปในที่สุดเจอรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถกุก็ไม่มีอะไรจีรังย่างยืนคนเกิดก่อนเราตายไปไม่รู้เท่าไรญาติของเราถ้าจะเสืบสาวเราเรื่องไปมีมากมายเลยเกินถอยหลังน้งไปแต่ว่าที่เรารู้จักนั้นน้อยกว่าคนที่เราไม่รู้จักเพราะท่านตายไปนานแล้วเราจะไปสนใจอะไรกับรูป ใ น, นเมื่อเรามาทกษาข้อนี้แล้วเพื่อความแน่นอนของจิตเราเกิดมาเป็นมนุษย์พระพระพุทธศาสนาถ้าเราจะเกิดเป็นเทวรรดาแล้วก็ต้องกลับมาเกิดในเป็นคนแล้ว ก, กลับไปเกิดเป็นนรกเปลยหน้าของวัตตาสงสารก็ไม่เป็นการสมควรควรจะป้องกันอบายภูมิเส้นเลยนั่นก็คือว่า เราหาทางอายพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนก็ดีตส่ก็ดีมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในถ้ำกลางต้องตายไปในที่สุดเราก็มาคิดถึงตอนนี้ว่าชีวิตทินสีของเรานี้จะตายเมื่อไรก็ได้เช่นพระธารุจาริยจารจิริยะ ท่านกล่ากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, ก, ากัมมันดาพระทั้งหลายว่าช่วงเหเวลาบินาบายข้างองค์สมเด็จพระจอมไตรใจพผมรออยู่นี่พผมรอไม่ได้ผมต้องตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรประมาสซาสันดาหให้ได้เพราะว่าผมไม่มั่นใจในชีวิตของผม แล้ก็ไม่มั่นใจในชีวิตของพระเทเจ้าว่าในชั่วระยะเวลาไม่กี่นาทีนี้ต่างคนต่างอาจจะตายคนได้เราก็จงคิดถึงตัวเราเช่นเดียวกันว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายจะตายเมื่อไรคนใดได้ดก่อนจะตายเราก็ต้องแบกความดีบรรจุความดีไว้ให้เต็มอย่างน้อยที่สุดเราจะป้องกันอวัยภูมิให้ได้ อันดับแรกก็มาพิจรารณาถึงพระธรรมคําสั่งสอนข อ, องค์สมเด็จพระจอมไตรที่พระพุทธเจ้าทองสอนให้เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์ว่าศีลที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ดีหรือชั่วก็นั่งคิดจะพาะกระ ว, ะ ว, รวาดพระนินว่าตามสิ่งของตนว่าการทําร้ายสิ่งอะไรกันดีไหมเราฆ่าเข า, ขาเขาก็ฆ่าเรา เรตีเขาเขาก็ตีเรามันไม่ดีแล้วก็เลิกคิดในการที่จะวิฆ่าเข็งฆ่าคนและวิฆ่าเข็งฆ่าสัตว์ชีวิตของใครใครก็รักนอกจากจะคิดจะไม่คิดในข้าววิฆ่าเข็งฆ่าแล้วจีกันน้อมไปในความเมตตาปราณีศีลจะทรงตัวได้เพราะอาศัยเพราะมีหารสี่ประจําใจข้อหนึ่งมีความรักสิงอะไรกันเป็นปกติ สองสองสามสิ่งกันะกันเป็นปกติสามไม่ช้าดิทยามสิ่งกันอะไรกันมีเพื่อนได้ดีพอยินดีด้วยสี่เบกขาเมื่อกรรมใหญ่เข้ามาถึงเพื่อนหรือถึงตัวเราอารมณ์จิตไม่หวั่นไหวยอมรับนับถืกอกดคงกรรมทําใจให้เป็นสุขถือว่าเกิดมาในโลกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ ถ้าจิตเราสามารถทรงพรมีหานศีได้แล้วสิลสุสิขาบทรับรองว่าไม่บกพร่องเต็มเปลี่ยมบริบูรณ์ฉะนั้นการที่รักษาสิ่ให้บริสุทธิ์ไม่ต้องไปนั่งไล่สีขาบทนั่งจับอยู่เฉพาะที่พรมีหพรมีหานสีเท่านั้นคนถ้าเรารักกันเราสงสารกันแล้วก็ฆ่ากันไม่ได้ทำร้ายชีวิตกันไม่ได้ รักทัพรักสิกสนขโมยของเขาไม่ได้ยื้อแย่งความรักไม่ได้โกหกไม่ได้ไม่ดื่มสุรามีไรเพราะรักของสายคนที่อยู่ที่บ้านท่านจะเห็นว่าพระวิหารสีเป็นอาหารสำคัญสำหรับสินเป็นตัวเรียงสินให้บริสุทธิ์ในเมื่อบันดาท่านพุทธบริสตันหลายปรารบความตายเป็นปกติมีความคิดอยู่เสมอว่าชีวิตของเราจะตายเมื่อไรก็ได้ ไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเวลาเช้ากินข้าวเช้าแล้วอาจจะไม่ได้กินข้าวกลางวันมันจะตายซะก่อนก็ได้กินข้าวกลางวันแล้วอาจจะไม่กินข้าวกลางคืนมันอาจจะตายก่อนก็ได้ไม่กินข้าวตอนเย็นนะกินข้าวกตอนเย็นแล้วอาจจะไม่ถึงกรหลับไปในเวลากลางคืนอาจจะตายก่อนก็ได้ดูท่านธารุจริยะ ฟังเทศสจงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเดี๋ยวเดียๆท่านก็ตายนิพพานเพราะท่านเป็นอรหันต์ฟังแล้วไม่ทันจะจบเพียงแค่ว่าท่านกล่าวว่าเธอเห็นรูปแล้วจนอย่าสนใจในรูปเ <c oughs> ท่า น, น, นี้ท่านได้บรรลุอรหัตผลพร้อมไปด้วยปฎิสมิทา ย, ยานพระพุทธเจา้าทรงรับรองเพราะเมื่อกี้เวลามันหมดอแต่ตอนท้ายก็ไม่มีอะไรทรงรับรองตอนนี้เท่านั้น เป็นอนนั้นว่าเราก็ต้องกําหนดจิตยอย่างนั้นว่าเราจะแน่หรือว่าเราจะโย่ไปกี่วันเมื่อเราไม่แน่ใจก็สร้างความดีเข้าไว้ยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสารสันดาคือนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระอริยสงฆ์สําหรับประสงค์เนี่ยแต่มาจํากัดลงไปเฉพาะพระอริยสงฆ์ พราว่าท่านที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้านี่ไม่แน่นักบางทีท่าข้างนอกดีข้างในเสียสมถีไปใช้ปัญญาพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าคนดีพระธรรมคนดีพระอริยสงฆ์คนดีควรเคารพนับถือไหมแต่เมื่อควรเคารพนับถือก็ยึดท่านท่านอันสามราการเป็นสรณีคมคือเป็นที่พึ่งเอาจิตจับ ในพระพุทธคุณพรธรรมคุณแบบสังคุณจะภาวนาว่าพุทโธธรมโมสังโฆก็ได้หรือว่าพุทโธคำเดียวก็ได้อย่างเดียวไม่ต้องธรมโมสังโฆว่าพุทโธแล้วก็ถึงธรมโมสังโฆเองให้เกิดเื่อจำอยู่ในจิตสั้นดานเป็นปกติอย่างนี้ชื่อว่าท่านมีความเคารพในไตรสน า, าคมตั้งสามรายการครบถ้วน เมื่อมีความเคารพในพระพได้เจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเราทรางแนะนําว่าจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราก็ตัดสินใจว่าเราจะยอมตัวตายดีกว่าสิงขาดยังไงยังไงเราไม่ยอมให้สิงขาดแน่นอนเป็นนันว่าเราก็ทรงศีลบริสุทธิ์ถ้าทรงศีลบริสุทธิ์เพียงเท่านี้เป็นนันว่าคุณธรรมดังสามรายการคือหนึ่งไม่ถึงความตายเป็นอารมณ์ สองครอบในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามมีศีลห้าบริสุทธิ์สำหรับครวัตในน้องศีลสิบพระท้งศีลสองร้อยี่สิเจ็ดเพียงเท่านี้องค์สมเด็จไปรินทร์ีบรมศาสานดาสมมาสมุทธเจ้ากล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประสูดาบันเพียงเท่านี้เราจะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เราก็คนอายตัวเอง ว่าก่อนจะเกิดมาเป็นคนเราเคยมีศีลบริสุทธิ์ก่อนจะเกิดมาเป็นคนเราเคยมีทางการบริจาค ก, ก่อนจะเกิดมาเป็นคนจิตใจเราเคยอบรมธรรมยึดถือธรรมแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าคุณธทมเพียงสามประการเท่านี้ทําไมได้เราก็ชี้ว่าเป็นคนที่น่าอายและน่ากลัวที่สุด อายความดีเดิมของเราก่อนเกิดแล้วก็กลัวใบภูมิที่จะต้องลงแน่นอนอันนี้การกระทำจิตอย่างนี้เพื่อความดีตามที่องค์สมเด็จเพชินวรบรมศาสนดาทรงตรัสว่าแค่ระโสดาบันยังไม่พ้นจากวตาสงสารึก็ต้องเกิดเป็นทิวันดากับคนลุ่พรมสลับกันไป เพื่อหวังตักกำลังใจให้เข้าถึงสุดของความที่สุดของความสุขคือพระนิพานก็จับเอาว่าธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระวิชิตธมานที่เทศกับท่นทารุจริกิริยะเจะาที่พาหิยะว่าเธอเห็นรูปแล้วจงหย่าสนใจในรูปเป็นศัตว่าเห็นแววว่าจงหยาสนใจนีหมายความมาขึ้นที่ว่ารูปของเราก็ดี รูปของบุคคลอื่นคนดีเราไม่สนใจทั้งหมดเพราะว่าอะไรพระรูปเป็นอนินจังหาความเที่ยงไม่ได้รูปเป็นทุกขังมีแต่ความทุกข์รูปเป็นนัตตาจะต้องสลายพังไปเราไม่สามารถจะทรงอยู่กับมันได้ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ว่ารูปเรารือรูปใครเต็มไปด้ความโศกปรกโศโครกไม่น่ารักไม่น่าประคับประคอง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราควรจะพิจารณาเกิเห็นได้ไง่ายๆเพระป็นของไม่ยากแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในมหาปฏิปฐานนสูตรซ <c oughs> ึ่งทุกตอนของมหาปฏิปฐานสูตรที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเธอเห็นรูปกายแล้วจงนึกว่ามีความรู้สึกว่าเป็นในเพียงสักตะว่นเห็นไม่สนใจ แล้วเธอจงไม่สนใจในกายกายภายนคือกายของเราเองด้วยเธอจงไม่สนใจในกายภายนอกคือกายเขาบุคคลอื่นด้วยและก็ไม่สนใจในิทุกสิ่งทุกอย่างในโลกโดยคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นทุกขังเป็นทุกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เมื่อชีวิตสิ้นตักสายลงไปเมื่อไร่เราต้องออกไปจากร่างเราคือจิตฉีนั้นสมบัติของโลกสิ่งในสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่มีความหมายสําหรับเราขึ้นชีว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจะไม่มีสําหรับเรามานุษย์โลกก็ดีที่มันโลกภูมโลกก็ดีเทีมโลกก็ดีเราไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพาน อาราบรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้เรื่องเทวานุสติกรรมฐานมองดูเวลาก็หมดแล้วก็ข อ, อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้